เป็นการมิบังควรเป็นอย่างยิ่งที่พระยุพราชจะพึงแสดงต่ออัครมหาเสนาบดีของสมเด็จพระราชบิดาเขาคิดว่าพระราชกุมารผู้นี้ขณะดำรงตำแหน่งพระยุพราชอยู่ยังกล้ากระทำต่อเขาถึงป่านนี้ถ้าขึ้นครองราชเมื่อใดคงจะข่มเหงรังแกเสนาบดีและขจริพาน